อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์ที่18ตุลาคมปีพุทธศักราช2557เป็นวันแรม10ค่าเดือน 11เอ็ดปีมาเมียด้วยรายการธรรมราบารูนเหมือนเช่นเคยนะคะและเมื่อพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็แน่นอนคะ่ะดิฉันก็จะได้มีโอกาสที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาะสนทนาธ ร, รมะหรือที่เรียกกันว่าสากักกชากับ พระอาจารย์พระมาหาภัยบุรอภิบุญโนพระอาจารย์องค์ปาถก ป, ประจํารายการธรรมราบบุญของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรานะคะอ่าก็ขอนําท่านผู้ฟังมากราบนวัสการพระอาจารย์พระมาหาภาบุญอภิบุญโนซท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมอ่าของวัดป่าดอนหายโศ ซ, ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโซกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนวัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาใช่บ้านสาธุเจ้าค่ะ ใชว่วันเสาร์นี้มีปัญหาที่ถามเข้ามาในเว็บไซต์มากราบนักก า, ศาราเรียนถามเหมือนเช่นเคยนะเจ้าคะ<ช>่ะขอเริ่มต้นด้วยคําถามของคุณรุ่งนภ า, าเจ้าคะ่ะก็คุณรุ่งนภ า, าก็กราบนัสการพระอาจารย์มาแล้วก็ถามข้อธรรม ะ, ะว่ากรณีเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่น่าพอใจ อ, อย่างเช่นคนผ่านหรือคนที่ไม่รู้ว่าสิ่งไหนดีหรือชั่วถูกหรือผิดต้องใช้ธรรมะข้อใด เพื่อที่จะข่มใจหรือว่าเคยมีตัวอย่างที่พระโพธิสัตว์ต้องอดทนในกรณีที่ต้องได้พบเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือว่าต้องอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่น่าพอใจไหมคะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์ได้แสดง หรือว่าชี้แจงให้ทราบตรงนี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะเพื่อว่าทางท่านผู้ถามคือคุณรุ่งนาภาบอกว่าจะได้ใช้ข้อธรรมะหรือว่าตัวอย่างที่พระอาจารย์จะได้มีตาสาักฉาต่อไปเนี่ยมาเป็นหลักในการวางจิตให้ถูกต้องเพื่อความเจริญในธรรมต่อไปนะเจ้า ค, ะค่ะโยมก็ขอขอนุญาตกราบนมำสการพระอาจารย์ได้สักฉาให้ท่านผู้ถามคือคุณรุ่งนาภาและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้รับฟังกันเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะคำถามนี้ตอบได้กว้างขวางมากเลยคุณนใจเพราะว่า ธรรมะของพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยจริงๆใช้ได้ทุกจุดเลยในการที่จะจัดการกับปัญหาตรงนี้อนะอเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเราจะปล่อยวางได้อย่างไรอดทนก็ใช้ได้เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเราจะปล่อยวางได้อย่างไรเราพิจารณาถึงภาษานั้นนโดยความไม่ใช่ตัวตนก็ได้แต่เราจะปล่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเราจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของภาษาด้านก็ได้แต่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจแต่เราใช้การข่มบังคับใจก็ได้ แต่มันมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายเอาอย่างพระรูจ้าของเราถูกด่าว่า่ถูกปรามเชื่ออากโศกะพรัตวาชพรามดา่าชนิดที่เรียกว่าสาเสียเทเสียดา่าจนกระทั่งว่าไม่มีแรงจะดา่าด่าจนหมดคำพูดแล้วเนี่ยพระรูจ่าก็ยังไม่โกรธอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะจนกระทั่งได้แสดงถามให้เขาฟังเขาก็มาบวชเป็นพระอา้าบรรลุเป็นพระอนาหันต์ไปหรือแม้แต่เรื่องราวอื่นๆเยอะแยะ หรือ <Okay. S 1> นางจินจามานวิกามาด่าใส่ร้ายด้วยคำไม่จริงกล่าวตู่พระรูชาอย่างเงี้ย <Okay. S 1> พระองค์ก็เอาชนะด้วยความจริงเป็นต้ น, นคนเขาโกรธมาเราเอาชนะด้วยความเมตตาคนเขาเอาความไม่จริงเอาความตอแหลเอาเรื่องอะไรที่เราไม่ได้ทำมาใส่ให้เราก็เอาชนะด้วยความจริงนคนเขาเอาความที่ด่าว่าเอาวาจาที่หยาบคายร้ายกาดเราก็เอาชนะด้วยวาจาที่ สุภาพอ่อนน้อมในเรื่องราวอย่างเช่นตอนสมัยโพธิสัตว์น่ะธรรมต้องอาจจะไล่ไปแในะตอน <Okay. S 1> เป็นโพธิสัตว์อย่างเรื่องของเวสันดร อ, อย่างนี้เป็นต้นเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้ปันในะยังไงเนี่ยพระเวสันดอนเป็นโพธิสัตว์มีคนมาขออันนั้นอันนี้ก็ให้นะมีช้างเชือกหนึ่งเรียกช้างปัจจยนาเป็นช้างที่มีลักษณะที่ดีหมดทุกอย่างนะ มีอวัยวะเจ็อย่างสมบัติพื้นมีสีเผือกมีสีขาวทวสัมพันธ์ายอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เป็นช้างที่ไปอยู่ที่ไหนเขาก็มีความเชื่อว่าจะอุดมสมบูรณ์มีพราหมณ์จากาชาวแว่นแคว้นกาลิงมาขอเวสนาลก็ให้นะให้ <Okay. S 1> ให้จนกระทั่งถูกชาวเมืองด่าถูกชาวเมืองด่าว่าแลก็เอางั้นก็ฉันเจ้าจะออกจากการเป็นพระราชาแล้วก็ยังขอที่จะให้ทานครั้งใหญ่แล้วก็ยังถูกเขาโจดจันอีกว่าอืห ถูกขับเพราะว่าให้ทานแล้วยังจะให้ทานอีกอย่างเงี้ยตัวค่นะแต่ว่าจิตใจนั้นไม่แปรปรวนนะก็แต่ว่าถูกขับไล่ไปอยู่เขาวงนะเขาวงนี่ไกลามากตัวค่ะพอไปถึงเขาวงนะก็ยังมีนักขอไปตามขอเห็นเรื่องที่เราทราบกันก็คือชูชกค่ะเห็นนักขอไปตามขอแทนที่จะคิดอึกอักว่าอือมมันฉันไม่อยู่ถึงขนาดนี้ยังจะตามมาขออย่างเงี้ยนะก็ยังรู้สึกไม่ได้เป็นอย่างนั้นกลับรู้สึกมีความยินดีว่า ถึงขนาดนี้ก็ยังมีคนมาขอเราจะได้ให้ทานเดี๋ยวกะทำไมถึงทําจิตอย่างนั้นได้เออคือพระเจ้าเนี่ยอธิบายไว้เนะีคือตอนที่เล่าเรื่องต่างๆของตัวเองเนี่ยนะก็อธิบายด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยพระองค์ทําจิตยังไงนะอย่างตอนที่เอาลูกนะีคือกันหาชาลีให้เอานางมัตซีผู้เป็นภรรยาที่แสนดีให้เนะีก็ไม่ใช่เพราะว่าความไม่รักลูกไม่รักภรยา แต่เพราะว่าความรักในสัมมาสัมปจนิยาณจึงให้ของที่ตัวเองรัก น, นี่นี่พิจารณาตากากความคิดของโพธิสัตว์นะคุณเตยใจนะเพราะรักในสัมมาสัมปจนิยานจึงให้ของดีๆกับคนอื่นไม่ใช่ให้ของที่แบบว่าหวยหวยแย่ๆ<ด>ไม่ใช่อย่างนั้นอ่าให้ของดีๆงามๆเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่ออะไรเราจะได้มีสัมมาสัมปจนิญานเพื่อโพธิญาณที่เป็นของรักเนี่ย จึงมอบสิ่งที่ตัวเองรักให้คนอื่นไปอันนี้ก็ตอนหนึ่งเรื่องะวิษณุนอนจาดกก็คือเอาชนะความตะเนี่ด้วยการให้ปันหรือแม้แต่ตอนที่เคยเกิดเป็นเป็นนักบวชเป็นฤๅษีตอนแรกก็มีภรรยาแต่ว่าไม่มีลูกด้วยกันพอพ่อแม่ตายหมดแล้วก็เลยมีความคิดว่าจะออกบวชออกบวชเป็นฤๅษีภรรยาก็ออกบวชเป็นฤๅษีเหมือนกัน แต่เป็นฤาษีผู้หญิงจะ <Okay. S 1> ไปอยู่ในสวนป่าแห่งหนึ่งของพระราชาพระราชาเดินทางมาเห็นเห็นฤาษีผู้หญิงคนนี้แต่ที่เคยเป็นอดีตภรรยาเนี่ย mm hmm. ก็เกิด mm hmm. ก็มาถามว่าไอ้คนนี้เป็นใครแต่โพธิส hmm. ัตตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่ภรรยาหรอกแต่ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติประมาจันร่วมกันเจ้ค mm ่ะ hmm. พระราชาองค์นั้นเกิดความกำหนัดในฤาษีผู้หญิงคนนั้น mm hmm. แล้วก็ฉ mm hmm. ุดคร่าไปโดยที่นางไม่ยอม แตนะ่ตอนนั้นฤาษีนั้นก็มีฤทธิ์นะมีฤทธิ์ <Okay. S 1> ในการที่จะต่อสู้กับคนอื่นๆได้ <Okay. S 1> แต่ตอนนั้นเกิดความโกรธขึ้นมาอึกหนึ่งแลเกิดความโกรธขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็พยายามจะข่มความโกรธเนะื่อเพราะคิดว่าการโกรธเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นของต่ําแำมันเป็นของชาวบ้านเราเป็นฤาษีแล้วเป็นคนดีแล้วเป็นนัก บ, บวชแล้วเราไม่ควรจะทําความโกรธความขัดเกงความไม่พอใจให้ปรากฏแล้วนกะ็<ม>หักห้ามความโกรธนั้นนะหักห้ามใจ อันนี้ก็จุดหนึ่งแต่คือใช้ใช ค, ความหักห้ามใจหรือมีตอนอื่นนะเป็นชลินแต่นะชลินนี่ก็คือนักบวชที่ใส่ชฎาแล้วก็อยู่ตามาริมน้ำตัวเองเป็นนักบวชชลินเป็นโพธิสัตว์นะอยู่ทางเหนือน้ำมีนักบวชคนอื่นเขาอยู่ทางใต้น้ำเขาเดินขึ้นมาแต่นะอยู่ทางใต้ของลับน้ำเนี่ยน ะ, ะเดินขึ้นมาเห็นตัวโพธิสัตย์ อยู่ทางต้นน้ําก็เลยด่าว่าต่างๆเอาทําไมมันอยู่ตรงนี้อะไรต่างๆนะสาบแช่งต่างๆนานาแระพุทธศาสนตอนนั้นฟังคําด่าคําว่าแล้วก็อดทนเอาคําด่าคําว่าใดๆที่ชลินที่เขาอยู่ทางใต้ตอนใต้น้ำเนี่ยเขาด่าว่ายัางไงก็กลับไปหาตัวเองหมดไปหากลับไปหาคนด่าคนว่าหมดเพราะว่าพระพุทธศาสนยอดทนต่อวาจาเน้นได้ <Okay. S 1> แล้วก็เอาชนะวาจาที่ไม่จริงก็เอาชนะคําด่าคําว่าด้วยการนิ่ง ด้วยการอดทนอย่างนี้ก็มีนะหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆที่พระเาเคยเล่าให้ฟังตัวอย่างเช่นเรื่องของท้าวสกะดเทวราชก็กได้แตนะ่ที่เราเคยเล่าในรายการก็ ค, คือตอนนั้นมีสงครามระหว่างพวกเทวดากับปศุนะคือในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยบางครั้งนั้นบาทีเขาก็จะมีสงครามกันนะพวกเทวดาในชั้นดาวดึงหัวหน้าของเทวดาก็คือพระอินท์นะคือท้าวสกะเทวราช หัวหน้าของเหล่าอสูรที่อยู่ในชั้นดาวดึงน่นก็คือเท้าเวปจิตแต่2 อ, อฝ่ายนี้บางทีก็รบกันนานๆครั้งหนึ่งตอนนั้นรบกันเนี่ย เ, เป็นการรบชั้นอิตตี้เรียกว่ า, าการรบครั้งสุดท้ายแล้วน่นก็คืออาวุธอะไรต่างๆก็หมดกําลังพอลอะไรต่างๆก็หมดเหลือๆมาตรการสุดท้ายคือการตะลุมบอลแต่เท้าเวปจิตก็เลยบอกกับพวกอสูรบอกว่าอา้าวถ้าบอกว่าในการตะลุมบอลครั้งนีนะ้พวกเราชนะ ก็ให้จับหัวหน้าของฝ่ายเทวดามาคือเท้าสกัดเทวดาคือพระอินเนี่ยมาที่พบแห่งอสูรแล้วพระอินก็บอกกับลูกน้องตัวเองอย่างนี้เหมือนกันบอกกับพวกเทวดาในชั้นดาวดึงวัฒชนะนะให้จับเท้าเวปจิตมาปรากฏว่าในการตะลุมบอลในการรบครั้งนั้นปรากฏว่าพระอินทเป็นฝ่ายชนะคือพวกเทวดาในชั้นดาวดึงชนะพวกเทวดานั้นก็เลยจับเท้าเวปจิตนํามาที่บ้านของพระอิน ในที่ว่าสุธรรมสภาจำมาโดยวิธีการเรียกว่าปัญจวิทาปันธนะคือการจองจำ5้าแห่งนะรัดที่แขนสองข้างรัดที่ขาสองข้างแล้วก็รัดตรงตรงคอที่1นะึ่งนัทเวปเจิตเนี่ยขยับอะไรไม่ได้เลยนะถูกมาล็อกอยู่บนแผ่นกระดานทางเข้าทางออกของบ้านของพระอินนั่นะคือที่สุธรรมสภาแล้ววันที่พระอิน์เข้าไปฟังธรรมออกมาจากการฟังธรรมเนี่ยที่ธรรมสภาแห่งนี้ ถ้าไม่ประจิตเนี่ยก็ด่าว่าคือขยับอะไรไม่ได้เลยนะคุณจใจแค้นค้าได้ขยับไม่ได้ขยับได้แต่ปากอย่างเดียวก <c oughs> ็เลยด่าใช่ไหมจ๊ะค <c oughs> <c oughs> ่ะด่าชนี้ที่เรียกว่าเจ็บแสบมากด่ <c oughs> ด้วยถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาดเง่าหัวที่ไหนขุดมาด่าหมดอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> พระอินก็นิ่งเฉยอยู่เน่ยนิ่งเฉยอยู่จนกระทั่งคนขับรถของพระอินทเนี่ยที่เป็นเทวดาชื่อว่ามาตลีเขาก็สงสัยว่าโอ้โหหัวหน้าของเราเนี่ยพระอินทเนี่ย ถูกด่าว่าขนาดนี้ยังอดทนอยู่ได้เนี่เพราะว่ากลัวหรือว่าเพราะไม่มีปัญญาตอบโต้กันแน่ก็เลยถามคาถามนี้กับพระอินว่าที่ไม่ตอบโต้เขาเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตอบโต้อะไรเมื่อหมดปัญญาหรือว่าเพราะกลัวเขากันแน่ก็ถามอย่างนี้พระอินก็ตอบว่า ที่เราไม่ตอบโต้เนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่ากลัวนะหรือว่าไม่ใช่เพราะว่าไม่มีปัญญาแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะไปพูดกับคนผ่านเพราว่าตรงนี้ก็คือเอาธรรมะของพรุทธเจ้ามาใช้นะคือคือข้อเป็นเป็นมงคลอันหนึ่งที่บอกว่าการไม่คุยไม่สนไม่ยุ่งกับคนผ่านเป็นมงคลอย่างยิ่งเราจะเคยได้ยินอเซวนาจะพารานังนะเจ้าอืว่าการที่ไม่คุยกับคนผ่านเน่ยมันไม่มีประโยชน์ พระอิน์ก็เลยไม่คุยกับท้าวเวปจิตที่เป็นคนพาลเ น, นที่ถูกตรึงอยู่กับที่บนประตูของสุธรมสภาถูกดาว่าก็ไม่พูดด้วยล่ะจะพูพูดด้วยทําไมคนพาล น, นะไม่พูดด้วยนะไม่ใช่เพราะว่ากลัวไม่ใช่เพราะว่าไม่มีปัญญาทีนี้เทวดาชื่อมาตาลีที่เป็นคนกับรถของพระเย็นนี่ก็ถามต่อไปคุณเดินใจถามว่โาโอ้คนพาลเหรอคนพาลเนี่ยเราต้องกรีดกันเขาก่อนนะ เพราะว่าถ้าเราไม่ทําขาก่อนไม่กีดกันเขาก่อนเนี่เดี๋ยวเขาจะมามีปัญหากับเราได้อืเทวดามาตาลีก็พูดขึ้นอย่างนี้วิธีการกีดกันของพระอินทนระ์ก็เลยตอบกับเทวดาชื่อมาตลีนะบอกว่าความอดทนนี่แหละชื่อว่าคนพา น, นั้นได้รับการกีดกันแล้วได้รับการคุ้มกันแล้วนะคือในกรณีของคุณรุธนภาไห น, นที่บอกว่าถ้าเราต้องอยู่เรื่องกับคนพานนะเราจะใช้ธรรมะข้อไหนดีซึ่งในกรณีนี้ พระอินอยู่ร่วมกับคนพาณ น, นะคือท้าเวปจิตที่ถูกด่าถูกว่าอยู่ตลอดเวลาเลยพระอินใช้ธรรมะข้อหนึ่งก็คือการไม่คุยกับคนพาณนะข้อนี้คือข้อที่1ละาเาศวนาจะพาระนังแล้วข้อที่2ก็คือการอดทนการอดทนนชื่อว่าคนพาณ น, นั้นได้รับการกีดกันแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะมาทําอะไรเราไม่ได้ถ้าเรามีความอดทนอยู่ น, น, นี่คือความหมายที่พระอินหมายถึงทีงนี้เทวดาชื่อมัตตลีก็ เห็นโทษตรงนี้นะคือพยายามที่จะให้ชี้ให้เห็นนะนะในเวลาชื่อมัตเตอรีใ น, น, น, ใ, นในความมี็นอาตมาคิดวมาเป็นอย่างนั้นนะนะในเวลาชื่อมัตเตอรีเขาบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเห็นโทษของความอดทนนะเพราะว่าคนพาลเนี่ยจะสําคัญคนที่ไม่โต้อตอบเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าความอดทนเลยสิแต่จะสําคัญคนที่ไม่โต้อตอบเนี่ยด้วยความที่เขากลัวหรือว่าเขาไม่มีปัญญาจะตอบโต้ก็เลยยิ่งจะทําเราหนักมากขึ้นว่อย่างนั้น ยิ่งเหมือนกับเปรียบเทียบกับบัวตัวที่ชนะยิ่งจะข่มขี่วัวตัวที่แพอืมเจ้าค่ะยิ่งข่มเหงใหญ่เลยใช่คือคเห็นเราไม่ตอบโต้เห็นเรานิ่ง ๆ, ๆเห็นเราอดทนเนี่ยมันก็ยิ่งเอาเปรียบเรามากขึ้นยิ่งทําอะไรไม่ดีกับเรามากขึ้นอย่างนี้เจ้าค่ะคิดว่าเรากลัวใช่คิดว่าเรากลัวหรือว่าคิดว่าเราไม่มีปัญญาจะทําอะไรเขาอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้คือที่เทวดาที่มาตรีหมายถึงเจ้าค่ะตัวนี้ท่านพระอินทร์นี่ก็ตอบเป็นเรื่องที่ยาวมาก แต่ระอินเนี่ยคือสรุปตรงนี้นะว่ า, าการที่คนพาลพยายามจะเอาชนะด้วยลักษณะที่คนพาลก็ทําเนี่ยนั่นไม่ใช่การชนะที่ถูกต้องแต่แต่บุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองไม่มีใครที่จะข่มเหงหรือทําอันตรายบุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยแต่เพราะนั้นถ้าเรามีธรรมะคือความอดทนคือความสงบสงเเห่งในะคุ้มครองจิตใจของเราอยู่เนี่ยเขาจะมาทําอันตรายเราไม่ได้ แต่คือมันจะไม่เป็นไปตามธรรมการชนะของเขาการชนะอย่างที่คนพานเขาชนะเนี่ยเขาคิดว่าเขาชนะโดยการข่มเหงคนอื่นโดยการที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นและคิดว่าตัวเองชนะโดยการโกงคนอื่นได้ด้วยการได้เปรียบคนอื่นคิดว่าตัวเองชนะเนี่ยนั่นไม่ใช่ชัยชนะของบัณฑิตนะเพราะว่าถ้าคนพานชนะอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าเขาขุดหลุมตัวเองขุดรากตัวเองตัวเองจะอยู่ไม่ได้ตัวเองก็จะมีภัยพิบัติอะไรต่างๆนะเพราะว่าอคุณสมธรรมที่เขาทํา แต่ว่าบัณฑิตแต่ว่าบัณฑิตที่มีธรรมะกุ้มครองนี่สิจะไม่มีใครที่จะทําอันตรายได้เลยเพราะถึงแม้ว่าเราอดทนใช่ไหมเราจะถูกเอาเปรียบถูกด่าถูกว่าแต่ความอดทนความที่เราไม่ทําสิ่งที่เป็นอกุโสระดเนี่ยพาเราไปสวรรค์แต่ถ้าเราดา่าตอบบ้าตอบเราอาจจะรู้สึกสะใจนิดนึงความสะใจเนี่ยจะพาเราไปนรกว่าเราดา่าตอบบ้าตอบเราพูดสิ่งที่เป็นอคุโสระด ถ้าพูดง่ายๆก็คือธรรมะย่อมชนะอธรรมใช่ไหมเจ้าค่ะพูดพได้เต็มที่เลยใช่เจ้าค่นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนพานในกำลังของคุณลุงที่ป่า ต, ตรงนี้อธรรมะข้อหนึ่งคือความอดทนพระเจ้าสรุปในพระสูตรตรงนี้บอกว่าอบุคคลเนี่ยจะพึงงดงามในธรรมะวัในนี้นะจะก็ต้องงดงามด้วยความอดทนงดงามด้วยความสงบเสงี่ยมนั่นะคือขันติแล้วก็โสรจะเจ้าค่ะอันนี้ก็ได้นะหรือว่า มีอีกหลายกรณีที่ภิกษนะุอดทนต่อทุกเวทนาอันกล้าแข็งจิบแสบเป็นร้อนหรืออดทนต่อวาจานหยาบคายร้ายกาศแตนะ่เขาไปที่นี่บางทีผู้ชาก็โดนเหมือนกันแต่นะ<ช>เขาถูกด่าว่ามีไม่เหสีของพระราชาองค์หนึ่งนะจ้างคนมาด่าภิกษุทุกรูปเลยนะไปบิณฑบาตก็ถูกเขาด่าอย่างเงี้ยเป็น<ช>อย่นี่เจ็ดวันแตนะก็อดทนเอาเราเราก็ โอดทเอาลักษณะนีนะ้จะเป็นธรรมะที่เราเราอยู่ได้ประเด็นตรงนี้ที่ต้องชี้ก็คือว่าอดทนเนี่ยมันไม่เหมือนการเก็บกดคุนเทนใจเจ้ค่ะบางคนจะคิดว่างั้นเราก็เก็บความโกรธไว้ข่มความโกรธเอาไว้นี่คือลักษณะการอดทนมันไม่ใช่แต่เพราะว่าการอดทนกับการเก็บกดเนี่ยมันต่างกันนะเก็บกดเนี่ยหมายความว่าคุณเก็บสิ่งที่เป็นอคติส่วนลธรรมเอาไว้นะไม่ใช่ไม่ใช่ สมมติว่าเขาด่าเราเราเกิด อ, อาการโกรธเกิดขึ้นการโกรธเนี่ยเราต้องละนะไม่ใช่เก็บแต่สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคุณต้องละออกวางออกในะอย่างกรณีของคุณนุ่งนาภานะที่สมมุติมีคนมาทําอะไรให้เราไม่พอใจอย่างเงี้ยโดยที่จริงเขาเป็นคนพ่านไม่มีเหตุผลได้ๆทั้งสิน้นแะตถ้าเราเกิดความโกรธความไม่พอใจความกัดเครื่องความแค้นใจเกิดขึ้นต้องรีบสละไอความรู้สึกที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านั้นออกไปโดยโดย่วน คือต้องไม่ให้มีความโกรธอะไรเลยถูกไหมเจ้าคะคือบางทีความโกรธมีอยู่แต่แต่อดทนไม่ให้แสดงสิ่งไม่ดีอันนี้มันจะต่างกันนะเจ้าค่ะความโกรธอาจจะมีอยู่คือเราอาจจะยังสละไม่ได้หมดแต่เราอดเราอดทนในการที่จะไม่ทําสิ่งไม่ดีโอเคะ okay, นะความอดทนในหมายถึงตรงนี้อดทนในการไม่ทําสิ่งไม่ดีแต่ถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามสละพยายามละมันออกมันมี 2, 2> จ, จุดไง แต่ถ้าเราคุณยังละออกไม่ได้สะละออกไม่ได้หมดก็ต<อ>้องอดทนอดทนไม่ใช่เก็บกดความไม่ดีนั้นไว้ไม่ใช่เก็บกดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมไว้ไม่ใช่แต่พยายามที่จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีอันนี้คือการอดทนมั น, ม, นมันต่าง ก, กันนะจิตไม่ดีในที่ที่พระอาจารย์หมายถึงนี่หมายถึงว่ายังต้องเข้าด่าว่าเราอย่างเงี้ยแล้วก็ เกิเราไม่อดทนนะเจ้าค่ะเราก็อาจจะด่าต่อๆไปหรืออะไรที่เจ็บแสบเดือนเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใชถูกต้องแต่ทีนี้ความอดทนและนี่ก็คือจุดที่เราจะต้องมีอยู่ด้านหน้าในการที่เราจะไม่ทําสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนการละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมก็ต้องมีอยู่ในเบื้องหลังที่ในการที่เราจะละสิ่งที่เป็นความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจพวกนี้เราต้องละออกวางออกแล่วิธีการที่จะทําอย่างนั้นได้ การที่เรามีสติอันนี้จะช่วยได้มากการที่เรามีสติอยู่ในกายการที่เรามีสติในลมหายใจในเรื่องสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันจะปล่อยวางได้ในอีพิธีหนึ่งที่สามารถช่วยได้ในเรื่องกุลนุ่งละปานี้ก็คือการที่เราเจริญเมตตาภาวนาแต่ถ้าบอกว่าเราเจริญเมตตาภาวนาอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นที่รักของมนุษย์พวกภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแคล้วคลาดจากเราไปได้แล้วก็เป็นที่รักของพวกอมนุษย์ด้วยพวกมนุษย์ด้วย มันก็จ ะ, ะ, จะทําให้ปัญหาอะไรที่ต้องไปเจอะเจอกับผู้คนต่างๆก็จะเบาบางลงอืเจ้าค่ะก็แซ่คลาดกันไปใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใชก็จะเบาบางลงแล้าบคลาดไป น, นี้เป็นไปได้ถ้าเราจเจริญเมตตาภาวนาอยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะทีนี้มีกรณีหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคายมขอขอนุญาตกลับเรียนถามว่าอย่างมีบุงคนบอกว่าคนไหนที่เขาไม่ดีกับเราเนี่ยเวลาเราทําบุญก็ หรือแผ่เมตตาแผ่กุศลให้คนนั้นไปเลยแล้วก็แผ่เมตตาแผ่กุศลให้กับเทวดารักษาตัวของคนคนนั้นที่เป็นศัตรูหรือว่าเป็นคนที่คิดไม่ดีกับเราเนี่ยเจ้าค่ะก็อบอกว่าจะได้ผลทางหนึ่งก็คือทางอพอเขาได้รับบุญกุศลจากเราเนี่ยก็จะโน้มน้าวให้จิตใจของคนนั้นเนี่ยเลิกเกลียดเลิกพยาบาทอาฆาตเราอย่างนี้นี่เป็นเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าอาการที่จิตของเขาเนี่ย มีความอาฆาตพยาบาทหรือทำไม่ดีอันนี้คือเขาเป็นอยู่ในความทุกข์อยู่เขาอยู่ในความทุกข์โดยที่เขาไม่รู้ตัวอาการที่เราปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์หรือว่าปรารถนาให้เขามีความสุขแต่ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นี่ก็คือมีความกรุณาเพราะฉะนั้นเราเห็นเขามีความทุกข์อยู่ในขณะที่เขาเบียดเบียน เ, mm hmm. เราเนี่ยจิตเขามีการเบียดเบียนนะจิตเขามีการเบียดเบียนจิตเขาเป็นทุกข์จิตเขามีอกุศลธรรมแต่เราก็ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ตรงนี้นี่คือความกรุณา แต่พอิตเราตั้งไว้ได้ด้วยความกรุณาเนี่ยเราจะไปโต้อตอบหรือว่าทําอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันมันไม่ได้เล ย, ยเพราะว่าเราก็มีความกรุณาในบุคคล น, นั้นอยู่แต่ทั้งที่เขากําลังทําเราอยู่นะตรงนี้นตรง น, นี้เราสามารถที่จะตั้งจิตเนี่ยไว้อย่างนี้ได้แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าเราพิจรารณางี้ก็ได้ว่าอย่างกรณีของบริษัทว์นะที่ปรัตนาสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเงี้ยก็คือจิตเนี่ยน้อมไปในความที่จะอยู่ มีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐแต่ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างการโกโรธการด่าว่าการเถียงกันอันนี้คือการอยู่แบบไม่ประเสริฐนะแต่การที่พูดนิ่มนวลการการที่พูดด้วยเหตุผลและการที่เชื่อฟังกันและกันอันนี้เป็นทางประเสริฐเจค่ะเหมือนถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราอยู่ในธรรมะไว้ในนี้เป็นคนประเสริฐแต่เป็นคนดีคนงามอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเนี่ยเราก็าอย่าเามาไว้ในใจของเราเราก็าอย่าทําออกมาเจ้าค่ะเช่น การขึ้นเสียงกันเถียงกันพูดเล่นพูดแซวหัวเราะเอิก๊อกอักนะไม่เห็นความดีของคนอื่นตรงนี้เป็นคนที่ไม่ประเสริฐเขาจะเป็นกันแต ค, คนที่ประเสริฐประเสริฐเนี่ยคนที่ดีคนที่เป็นอริยะแล้วนะเขาจะเป็นกันก็คือจะพูดนิ่มนวลจะมีการใช้เหตุผลนะพูดเป็นสาระเป็นธรรมเป็นวิ น, นัยนะ่เวลายินดีเรื่องอะไรก็ยิ้มหรือว่านิ่งนะเป็นคนที่ระลึกถึงความดีมีกรุณามีเมตตา เป็นลักษณะนี้เราทรงสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆไว้ในใจนั่นะคือคมีความละอายในการที่จะทําสิ่งไม่ดีหรือมีความกลัวต่อสิ่งไม่ดีเพราะว่าเราตั้งจิตไว้แลว่าเราจะเป็นคนดีการที่จะมันจะไม่ดีเนี่ยเราจะเราจะไม่ทำเนี่ยเจค่ะเจค่ะอันนี้ก็คิดว่าคุณรุกนภาได้รับฟังธําชี้แนะจาก พระอาจารย์พระมหาพบูบุญอภิปุโ น, โนแล้วนี่เดี๋ยวฉันก็เชื่อมั่นว่าคุณรุกงนภาเองรวมทั้งท่าผู้ฟังทั้งบ้านท่านอื่นๆซึ่งอาจจะเจอหรือว่าประสบปัญหากับเพื่อนร่วม ง, งานก็ตามหรือว่าคนที่เรารู้จักมากคุณก็ตามเนี่ยเป็นคนประเภทที่อย่างที่คุณรุ่งนภาเขียนมานะคะว่าเป็นคนพานคือไม่รู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว อะไรถูกอะไรผิดนี่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยก็คงจะได้รับฟังไปแล้วนะคะว่าจะทําอย่างไรอ่าพระอาจารย์เจ้าค่ะในเวลาที่เหลืออยู่นิยมอยากจะขอย้อนกลับมาสักากับพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บกดเมื่อสักครู่เนี้ยเจ้าค่ะความเก็บกดนี่ก็คือว่าเราโกรธเราโกรธอยู่แหละแล้วเราก็เหมือนกับเจ็บใจอันนี้เก็บกฎในที่นี้ที่พระอาจารย์หมายถึงนี่จะหมายถึงว่าเราเจ็บใจเจ็บแค้นวันนึงเดี๋ยวก็ ฉันจะเอาคืนแบบนั้นมันก็จะเป็นบาปต่อเราใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องอันนี้คือการเก็บกดอันนี้อันนี้คือไม่ถูกอันนี้คือไม่ถูกและสิ่งที่ถูกก็คือถ้าเรามีความคิดในการพยาบาทอย่างนี้เราต้องละออกแต่สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต้องละออกแต่วิธีการละออกก็เช่นว่าการพิจารณาเห็นโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลอันนี้จะไม่ละออกได้หรือว่าเห็นความไม่เที่ยงของมันแเราก็ละออกได้หรือว่าการที่เราไปคิดพิจารณาเรื่องอื่นนะเช่น นึกถึงประวัติของพระพุทธเจ้าอาจจะไม่จิเราวางความโกรธนั้นได้อันนี้เราต้องมี <Okay. S 1> แต่ซึ่งความอดทนนะไม่ใช่การเก็บกดแต่ความอดทนคือการอดกลั้นที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ทําไม่ท ำ, ทำนี่คือการอดทนแต่การที่เราจะมีอคุโสธรรมเราต้องรีบละออกแต่อย่าให้มันค้างไว้อยู่ในใจ <Okay. S 1> แต่มันเป็น2ขั้นตอนทีนี้ว่าบางคนส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าใจผิดน ะ, นะว่างั้นก็เก็บความโกรธเอาไว้ พอถึงจุดหนึ่งมันจะระเบิดออกอนะ<ช>คือ<ช>มันอั้นไม่ไหวมันก็จะระเบิดออกทีนี้แรงกว่าเดิมอีกอย่างนี้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีบาปอากุศลธรรมความขัดเคืองความอะไรโกรธไม่พอใจอยู่ในใจเนี่ยต้องละออกทัทนทีละออกด้วยการเจริญเมตตาก็ได้ละออกด้วยการที่เห็นโทษของมันเห็นความไม่เที่ยงของมันได้แตนะ่ส่วนเรื่องของความอดทนเราต้องฝึกให้ให้มีให้เป็นแต่ไม่ได้รวมถึงเรื่องของการเจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำด้วย รวมถึงเรื่องของการที่เราจะต้องดูตัวเราเองว่าตัวเราเป็นใคร ต, ตัวเราเนี่ยเป็นลูกศรรษฐฐิษย์พระพุทธเจ้าแล้วเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคนประเสริฐแล้วอะไรที่มันไม่ประเสริฐเนี่ยเราก็อย่าไปทํามันอลองพิจารณาเรื่องของพุทธประวัติก็ได้เห็น <c oughs> สัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่ดีงั้นจึงต้องทําสิ่งที่ดี เ, เพื่อจะได้สิ่งดีๆตรงนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นอารยาบุคคลเราจะเป็นโสดาบานัน เราจะเป็นบุคคลที่มันจะประเสริฐเป็นไปตามคามสอนของพระพเจ้าเป็นลูกศิษย์ชั้นดีชั้นเลิศของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ส่วนจะต้องทําสิ่งที่ดีที่งามสิ่งอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเราก็ไม่เอาละนะมันมันไม่ดีเราก็ละทิ้งไปเสียเจ้าค่ะแล้วก็พยายามอาัอศวนาจะพารานาังนะเจ้าค่ะคนไหนคนพานเราก็ไม่เข้าใกล้ใช่เราก็คบแต่บัณฑิตนะเจ้าคะแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มาทดสอบอยู่ตลอดเวลาคุณเดือนใจน ะ, ะมันจะเป็นเครื่องทดสอบที่ทําให้ เราทราบละว่าเราอยู่ในมรรคได้หรือไม่ในโลกนี้มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเว้นทีเราก็เจอความสุขบ้างก็มีเว้นทีเราก็เจอความทุกข์บ้างก็มีก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นจะเจอสุขก็ตามจะเจอทุกข์ก็ตามน่ยเราก็ต้องมีสัมมาวาจาเราก็ต้องมีสัมมากรรมตางแต่เราต้องมีสมาทิฏิมีสมาสังกปปะอย่าไปคิดชั่วคิดไม่ดีมีความเมตห้ถูกต้องนพูดจาให้ดีๆต่อกันแต่มีอะไรก็อดทนกันแต่จะพูดอะไรแล้วเขาจะกระเทือนใจเราก็อย่าพูด พูดสิ่งที่มันจะจนลงใจเป็นต้อยคาที่งดงามเป็นต้อยคาที่ให้สมัรสมานสามัคคีกันนะนะเจ้าค่ะก็คือยึดมักแ8ดไว้น ะ, ะใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเป็นตนฐานเลยค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์ที่18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นเสาร์กลางเดือนตุลาคมนะคะเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาภบยบุอ์อภิปุโน พระอาจารย์พุ่มในการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหรือเป็นผู้ม่มในการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้สากระหรือว่าตอบปัญหาที่คุณรุงนภาได้เขียนถามมาดิฉันเชื่อมั่นว่าได้หลักคิดได้อะไรที่ทำฝั่ง อาจจะสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้ในกรณีที่เราอาจจะต้องไปเจอคนพาลหรือคนที่ไม่ดีนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะจะพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในเช้า ว, วันพรุ่งนี้เป็นการสากัจชาเหมือนเช่นเคยค่ะสําหรับเช้า ว, วันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบน้ำมศการขอพระคุณและกราบน้ำมศการลาพระอาจารย์พระมหาพบูบุญอภิปุโน พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหโศกรวมทั้งพระเดชพระคูณหลวงพ่อดรสะอาดที่โตภาสุหรือท่านพระคุณสิทธิปพะภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกด้วยนะคะกลับน้ำมการลาและกลับน้ำมการขอพระคุณเจ้าขาพระจเจ้าขาเจ้าบาลสาธุเจ้าขา